นาห้าร้อยสามสิบพุทธวจนะบทนี้ <c oughs> เป็นความรู้ของผู้ที่เป็นพระโสดาบันบุคคลว่าพระโสดาบันบุคคลนั้นจะมีความรู้ อีกนัยะหนึ่งในลักษณะอย่างนี้นะว่ารู้อะไรนะท่านตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้ดับแล้วย่อมไม่มีความสงสัยอย่างนี้ว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีหนอเพราะอะไรเกิดขึ้นอะไรจึงเกิดขึ้นเพราะอะไรมีนามรูปจึงมี นั้นเมื่อเขาเห็นเห็นปฏิจจสุบาทเห็นอาการในจิตแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่าเพราะอะไรมีอะไรมีเพราะอะไรเกิดอะไรเกิดเพราะอะไรมีความอยากจึงมีเขาจะเห็นว่าอ๋อก็เรามีความพอใจสิมีเวทนาความอยากจึงมี <c oughs> เราเดินไปซื้ออาหารเราจะเลือกซื้ออาหารที่ไม่ชอบไหมอืมก็ไม่เหมือนกันเนาะเราจะเลือกซื้ออาหารที่ชอบนั้นพราะเราชอบอาหารอันนี้ เราจึงอยากซื้ออันนี้มากินนะความพอใจในตาเห็นรูปจะต้องเกิดก่อนนะว่าความพอใจเกิดนะความอยากจึงตามมาและถ้าถามว่าก่อนความพอใจเกิดอะไรเกิดนันก็คือตัวผัสสะจะต้องมีตาเห็นรูปหรือจมูกได้กลิ่นนะจึงเกิดความอยากที่จ ะ, ะไปซื้ออันนี้มาทานนะ ก็คือผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหานะเขาจะรู้อาการจิตลำดับขั้นตามนี้นะว่าเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติเพราะอะไรมีสลายยตนาจึงมีนะเพราะนั้นคนคนนี้ก็จะสาวไล่ปฏิจจสุบาร์ไล่ไปเรื่อยๆนะค่อยๆถอยไปถอยไปซึ่งการรู้แต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่า <c oughs> แป๊บเดียวจะรู้ได้เหมือนกันบางคนก็ต้องใช้เวลา หลายเดือนหรือหลายปีกว่าจะเห็นชัดๆในแต่ละขั้นตอนนะพระองค์ตรัสต่อว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโดยที่แท้อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วอริยสาวกนะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปผู้ได้ยินได้ฟังแล้วผู้ได้สดับหมายถึงได้ยินได้ฟังแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นนะเพราะนั้นเขาจะมีความรู้ในเรื่องนี้ โดยที่ไม่ต้องเชื่อใครว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นว่าเพราะอะไรมีอะไรจะมีเพราะอะไรไม่มีอะไรจะไม่มีอย่างนี้นั่นนี่คือความรู้ฝ่ายเกิดว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีขึ้นมาเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเขาจะรู้ว่าเพราะวิญญาณมีนามรูปจึงมีถ้าวิญญาณมีนามรูปจะมีเช่นว่าเวลาเรามีความเจ็บ เกิดขึ้นมาแล้วเราดึงจิตออกจากความเจ็บได้ <c oughs> มารู้ลมหายใจสักพักมันไปเกาะที่เจ็บใหม่เราก็จะเห็นว่าอ๋อความเจ็บมีขึ้นเพราะว่าจิตเนี่ยเข้าไปรับรู้ใช่อ่าเราจะเริ่มรู้ว่าว่ากายมีนะหรือสิ่งตรงนี้มีเพราะว่าวิญญาณเข้าไปรับรู้หรือขณะที่เรารู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกอยู่อย่างเี้ยปับ๊บเดี๋ยวไปคิดเรื่องอดีตนั่นคือตัวสัญญาขัน สัญญาจะมีเพราะว่าจิตเข้าไปรับรู้เรามีการระลึกได้ดึงกลับมาที่ลมหายใจเราก็รู้ว่าอะถ้าจิตกลับมาอยู่ที่นี่สิ่งนั้นก็จะดับอย่างนี้นั้นเราจะเห็นเหตุของการเกิดขึ้นของนามธรรมและรู ป, ปรธรรมทั้งหลายว่ารูปกลับมามีได้อีกรู้สึกได้อีกก็เพราะว่า <c oughs> วิญญาณเข้ามานะ และนามาธรรมจะมีขึ้นก็เพราะจิตหรือวิญ ญ, ญาณเราออกไปรับรู้นะนั่นก็คือเห็นเหตุเกิดว่าเพราะวิญญาณมีนามรูปจึงมีนะนามรูปมีได้เพราะวิญญาณมีคือวิญญาณเข้าไปรับรู้นั่นเองนะเพราะนามรูปมีสลายยตนะจึงมีนะเพราะสลายยตนะมีผัสสะจึงมีนะตัวนามรูปเนี่ย เป็นเหตุให้เกิดสลายยตนาสลายยตนาก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะไอสิ่งเหล่านี้มันมีได้เพราะต้องมีตัวธาตุก่อนนะลูกตามันมีได้มันต้องมีตัวดินน้ำไฟลมมาปั้นเป็นลูกตาขึ้นมาต้นไม้มันจะมีกิ่งก้านใบดอกได้ก็เพราะมันดูดแร่ธาตุธาตุดินธาตน้าขึ้นไปนะไปสร้างเป็นใบตั้งแต่ใบอ่อนไปเป็นใบแก่กิ่งเล็กเป็นกิ่งใหญ่กิ่งแก่ใช่ไห เอามาจากอะไรเอามาจากธาตุนะเอามาจากตัวธาตุนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวธาตุต้องมีก่อนธาดินไม่มีน้ําไม่มีกิ่งก้านเกิดขึ้นมาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นกิ่งก้านมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าธาตุตัวธาตุตัวธาตุนั่นคือนามรูปนามรูปจึงเป็นเหตุให้เกิดกิ่งก้านหรือลูกตาหรือหูจมูกลิ้นกายใจนะของเรานี่เองทั้งหมด <c oughs> เพราะนามรูปมีสลายยตนะจึงมีเพราะสลายยตนะมีจึงผัสสะจึงมีเพราะนั้นเมื่อเรามีลูกตาและมีรูปที่ตาเห็นได้มีการกระทบกันจึงเกิดสิ่งที่เรียกว่าผัสสะหรือสัมผัสนั่นเองใช่นั้นผัสสะทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เกิดมาจากตัวธาตุตัวอายยตนะหรือสลายยตนะทั้ง6นะมันกระทบกันนะจึงเรียกว่าผัสสะ เพราะนั้นจริงๆแล้วผัสสะเนี่ยเป็นของใครมีคนถามผู้เจ้าว่าผัสสะเป็นของใครผู้เจ้าบอกไม่มีนะผัสสะไม่ใช่ของใครคําถามที่ถูกต้องต้องถามว่าผัสสะเกิดจากอะไรผัสสะเกิดจากอายตนะภายนอกภายในมาสัมผัสกันแล้วเกิดผัสสะแต่เราเข้าใจผิดเราเลยไปยึดว่าผัสสะเป็นเราเลยมีว่าเราเห็นเราได้ยินเรารู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยซึ่งจริงๆถ้าแยกธาตุแล้วไม่มีใคร ตัดแขนออกมาวางแขนมันก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นของใครปล่อยไปมันก็เปื่อยเน่าผุพังไปอย่างนี้เพราะนั้นตัวร่างกายเราทั้งหมดนะถ้าแยกออกมาเป็นส่วนๆแล้วไม่มีไม่มีใครเลยนะมีแต่ตัวธาตุนี่คือมุมมองที่เราจะต้องฝึกมองไปเรื่อยๆให้เห็นให้เข้าใจพูะเจ้าก็ไล่บัญญัติไปเรื่อยๆ เพราะภาษะมีเวทนาจึงมีเพราะเวทนามีตัณหาจึงมีเพราะตัณหามีอุปทานจึงมีนะอุปทานมีพบจึงมีเพราะพบมีชาติจึงมีสายพวกนี้อาตมาก็อธิบายไปบ่อยๆนะก็เลย <c oughs> ยังไม่ลงรายละเอียดตอนนี้ก็ผ่านไปตรงนี้พระองค์ตรัสว่าอริยสาวกนั้นย่อมรู้ประจักษ์อย่างนี้ว่าโลกนี้ย่อมเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้นะนั้นระบบโลกทั้งหมดเนี่ย มันเกิดขึ้นเพราะลักษณะอย่างนีน้ความเป็นโลกเราก็คือก็เพราะเนี่ยมีคนมีสัตว์มีอะไรต่อลายเนี่ยอาศัยตัวสลายยตนะนามรูปผัสสะอะไรต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาเป็นระบบของโลกต่อไปพระองค์บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับย่อมไม่มีความสงสัยอย่างนี้ว่าเพราะอะไรไม่มีอะไรจริงไม่มี เพราะอะไรดับอะไรจึงดับเพราะอะไรไม่มีนามรูปจึงไม่มีเะฉะนั้นเวลาโยมมีสติละนันทีกลับมาอยู่ที่ลมหายใจโยมจะเห็นว่าพอเราดึงจิตหรือวิญ ญ, ญาณกลับมาตรงนี้นามธรรมาตัวนั้นจะดับไปทันทีนนสัญญาที่เราเคยเพลินสังขารที่เราเคยเพลินมันจะดับไปทันทีนั่นแสดงว่าถ้าวิญ ญ, ญาณไม่มีนามธรรมาก็จะดับไปด้วย และถ้าเรามาอยู่กับลมหายใจแล้วสักพักหนึ่งมันไปคิดเรื่องอดีตโยมก็จะรู้ว่าถ้าวิญญาณไม่มีลมหายใจก็จะไม่มีนั่นคือตัวรูปและมันไปรู้นามธรรมมองในทั้งสองมุมก็คือวิญญาณถ้ามันไม่มีรูปก็จะไม่มีนามก็จะไม่มีอย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่คือความรู้ฝ่ายดับที่ถ้า อาลียสาวกมาไคร่ควรมาเฝ้าดูมองดีๆแล้วก็จะสรุปบทเรียนตรงนี้ได้ที่เข้ามาเฝ้าดูอาการจิตของตัวเองว่าจิตทํางานอย่างไรนะเกิดดับอย่างไรไปยังไงมายัางไงนะนั้นผู้เจ้าก็มีอาการจิตเหมือนเราฟุ้งไปฟุ้งไปกลับมาฟุ้งไปกลับมาเพราะผู้เจ้าเนี่ยบอกแม้เราเองก่อนแต่การตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็อยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออาณาปานาสติสมาธิ แสดงผู้เจ้าก็นั่งรู้ลมหายใจอย่างพวกเรานี่แหละนะรู้และจิตผู้เจ้าฟุ้งไหมฟุง้งถ้าไม่ฟุง้งผู้เจ้าจะบัญญัติได้ไหมว่าจิตเนี่ยหลุดจากลมแล้วจะไปสู่อะไรบ้างก็จะบัญญัติไม่ได้แต่ผู้เจ้าบัญญัติได้เลยว่าพอจิตหลุดจากลมแล้วมันไปสัญญาไปสังขารไปเวทนาแล้วมันก็กลับมาลมผู้เจ้าจึงบัญญัติว่าวิญญาณเนี่ยจะวนอยู่ในสี่ธาตุรูปเวทนาสัญญาสังขารเห็นไหม อาศัยการฟุ้งของจิตนั่นแหละผู้เจ้าบัญญัติธรรมะได้เยอะแยะเลยบัญญัติสัจจะคือความจริงของการทำงานของจิตว่าจิตทำงานอย่างไรนะมองไปเรื่อยๆก็เลยเข้าใจว่าจิตมันเดินทางหรือทำงานเป็นระบบของมันเท่านี้เองไม่มีใครสั่งไม่มีใครเป็นคนบังคับบัญชาว่าจิตจงไปที่นั่นไปที่นี่ไปคิดอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันทางานของมันเองเกิดดับของมันไปเรื่อย แต่เราเองเป็นผู้ที่เข้าใจผิดไปคิดว่าจิตเป็นเราเราก็เลยต้องมาฝึกมาลองสั่งจิตให้อยู่กับลมหายใจเรื่อยๆแต่จิตก็ไม่ได้เชื่อเราเราสั่งมันให้อยู่กับลมเราบอกว่าจิตเป็นเราถ้าจิตเป็นเราจริงจิตต้องเชื่อเราว่าถ้าสั่งอยู่กับลมต้องอยู่กับลมได้ตลอดแต่มันก็ไม่เชื่อมันก็หลุดออกไปทั้งๆที่เราไม่ได้อยากให้มันไปไปสู่อารมณ์อื่นใช่ไหม ต่อไปพระองค์บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโดยที่แท้อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่าเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเพราะวิญญาณไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะนามรูปไม่มีสลายตนะจึงไม่มีน ะ, ะเขาก็จะมีความรู้อย่างนี้ละเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นความรู้ฝ่ายดับ อริยสาวกนั้นย่อมรู้ประจักษ์อย่างนี้ว่าโลกนี้ย่อมดับด้วยอาการอย่างนี้นั้น <c oughs> ความรู้ของเขาในปฏิจจสุบาทเขาจะรู้ทั้งวงรอบการเกิดและวงรอบการดับ <c oughs> ของธรรมชาติที่เป็นรูปนาม <c oughs> ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาริยสาวกย่อมมารู้ประจักษ์ถึงเหตุเกิดและความดับแห่งโลก ว่ารูปนามเนี่ยมันจะดับไปได้อย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรอย่างไรนะเหตุเกิดของมันและความดับของมันเพราะตัวรูปนามก็คือโลกนั่นเองโลกโลโกนะโล ก, โล ก, โล ก, โลกนั้นคําว่าโลกเนี่ยเออความหมายกินความกว้างมากนะนั้นตัวขันห้าเนี่ยแหละคือตัวโลกหรือรูปนามหรือจิตกับวิญญาณนะวิจิตวิญญาณกับรูปนามสีขันนะคือตัวโลก ย่อมมารู้ประจักษ์ถึงเหตุเกิดและความดับแห่งโลกตามที่เป็นจริงอย่างนี้ในการใดในการนั้นเราเรียกอริยสาวกนี้ว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิดังนี้บ้างคือพระโสดาบันนั่นเองผู้สมบูรณ์แล้วด้วยความเห็นมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วว่าจิตกับรูปนามวิญญาณกับรูปนามทำงานอย่างไรน ะ, ะเกิดดับอย่างไรอะไรเกิดอะไรดับอะไรมีขึ้นอะไรหายไป ลำดับขั้นอันไหนเกิดก่อนเกิดหลังหรือผู้สมบูรณ์ด้วยทัศนะดังนี้บ้างทัศนะยานเครื่องรู้เห็นสมบูรณ์ด้วยยานเครื่องรู้เห็นผู้มาถึงพระสัจธรรมนี้แล้วได้เห็นพระสัจธรรมนี้แล้วพระสัจธรรมคือความจริงสัจจะคือความจริงธรรมชาติอันเป็นความจริงผู้ประกอบแล้วด้วยยานอันเป็นเสกค่ะผู้ประกอบแล้วด้วยยานคือความรู้อันเป็นเสกค่ะ ของผู้ที่ยังต้องศึกษาเพราะนั้นพระเสกบุคคลก็คือตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปหมายถึงเป็นผู้ที่ยังต้องศึกษากำลังศึกษาอยูนะ่ระหว่างการศึกษาเขาจะได้ความรู้ตรงนีนะ้ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชาอันเป็นเสะนะผู้ถึงซึ่งกระแสะแห่งธรรมะแล้วนะผู้ประเสริฐมีปัญญาเครื่องชําแรกกิเลส ยืนอยู่จดประตูแห่งอมตนะนะพระโสดาบันนี่ผู้เจ้าบอกยืนอยู่จดประตูแห่งอมตะแล้วนะ อ, อยู่หน้าประตูแห่งความไม่ตาย